ท่านฟังที่เคารพค่าเราอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัสนสเดีสนทนาค่ะที่นี่ก็สถานีวิทยุสทรหนอยหกสถานีวิทยุครอบครัวข่าวที่เราจะมาพบกับท่านด้วันจันทรุวนันศุกร์นะคะตีห้ถึงตีห้าครึ่งช่วงแรกเป็นช่วงที่จะได้ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งฟังพระสูตรช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงที่สมทนาธรรมซึ่งเราใช้ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวัจนะเพราะเป็นการเอาพุทธวัจนะของพระพุทธองค์ มาตอบคาถามทั้งหลายทัางปวงให้กระจายโดยพระเพรื่อภิปุณโณค่ะนมรสการคะท่านคะเรียนค่ะท่านเพรื่เป็นพระอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีช่วงลอยกระทงเนี่ยที่วัดมีงานไหมคะไม่มี <laughs> <laughs> ท่านท่านตอบไม่ถูกเลยเล <laughs> <laughs> กไม่ออกเออพราะว่าจริงๆก็เป็นวันที่หมดเขตกรถิน่นและสมภารพระก็จะมีความสัมพัน์สำคัญเท่านั้นเ อ, อคือเป็นวันที่ หมดเขตของการที่จะรับผ้าที่เป็นเวลาถ้าผ้านอกเหนือจากนอกออกจากวันนี้ไปพระจะรับผ้าได้ก็เป็นรับผ้าเรียกว่ารับผ้านอกการก็เป็นผ้าป่าที่เขาเราเรียกกันนะั่นเนาะผ้าป่าเนี่ยต้องมีผ้าทุกครั้งไหมคะใช่เพราะว่าพระก็รับแค่ปัจจัยสี่มันควรแก่สมณจบริโภคในสมัยนี้เขาอาจจะมีบริวารอะไรต่างๆบ้างอย่างเช่นบางคนก็เอาอาหารมาด้วย <c oughs> คนก็เอายารักษาโรคมาด้วยอย่างี้คนก็บอกว่าทอดพระป่าสร้างห้องน้ำอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างไรก็ท่านคะ น, น, นี้ก็เป็นภาษาปัจจุบันที่เขาใช้กัน <c oughs> แถ้าคุณจะสร้างศสนาสนะใดๆใช่ไหม <c oughs> วันนั้นอ น, นอนุญาตมีมีเงินพอมันก็ไปทำไม่ทันได้ไม่มีปัญหาแต่ใช้คำว่าผ้าป่าเพราะเพราะว่าที่ใช้คาว่าผ้าป่าเนี่ยเพราะว่าพระเนี่ยนะจะรับแค่ประจัยสี่ กันควรแกสมณะจ้บริโภคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้คําว่าปัจจัยสี่เนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่าก็เลยพูดคําว่าเป็นสานวนในปัจจุบันว่างั้นเถอะว่าเป็นผ้าป่าเป็นสานวนว่าไปไปปตะวันบริจาคทานอส่วนใหญ่ก็จะต้องมีผ้าไปด้วยนิดหน่อยหน่อยดิฉันเคยเห็นว่าเวลาเขามีต้นผ้าป่าเนี่ยอันนี้ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะที่ว่า ก็จะมีผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูค่ะเล็กๆไปม้วนม้วนๆเป็นชนีแล้วไปแขวนกับกิ่งไม้ที่ใช้เป็นต้นผ้าป่าค่ะอเกี่ยวข้าวเปล่าค่ะเพิ่งเข้าใจเหมือนกันเนอะอันนี้ดิฉันเดาเอานะคะใครมีความรู้ช่วยส่งมาด่วนเลยเพราะว่าเรื่องลักษณะแบบนี้ดิฉันไม่ค่อยสัมทัสนะคะส่วนใหญ่ที่จะศึกษาก็จะศึกษาในสิ่งที่เป็นคําสอนผู้ทศเจนะสําหรับพระเองอนะก็จะไม่ไม่ยากอยู่แล้ว ถ้าต้องการจะถวายทานก็สามารถมาได้ถ้าเป็นสิ่งที่ควรแก่สมณะจริโภคเราก็รับไว้ได้ก็ประมาณนี้ไม่ต้องทำเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่คนแต่ละท่านแหละค่ะค่ะคุณพบูลค่ะคือเดี๋ยวฉันได้กราบเรียนถามท่านเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของด่ามก็เลยไปถึงเรื่องของการพูด ในบางลักษณะด้วยเช่นวาจาสุภาษิตใช่ไหมคะแล้วท่านก็บอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพูดมากและจริงๆแล้วท่านได้บอกให้ฟังว่าถ้ายัางกับคำพูดเพ้อเจอมันก็มีความหมายเฉพาะของเขาว่าพูดลอยๆไม่มีหลักฐานอ้างอิงคำพูดหยาบคือคำพูดที่ทำให้จิตออกจากสมาธิใช่ดังนั้น คำพูดที่เร า, เราท่านๆชอบพูดกันอย่างเช่นในช่วงน้ําท่วมเนี่ยเดชันก็มีความรู้สึกดีนะคะบางคนเขาจะพูดให้เราคลายเครียดอย่างเช่นเขาเรียกน้ําอย่างเงี้ยคะ่ะท่านคะ <c oughs> คือเพื่อที่จะไม่ให้คนกลัวน้ำหรือไงก็ไม่ทราบออ oh. หลังจากที่เขาเรียกสุนัขเลี้ยงเนี่ยเขาชอบเรียกน้องหมาน้องหมา uh huh. เป็นภาษาของคนสมัยนี้ฟังดูเขาก็ว่าน่าเอ็นดูกัน oh. เขาก็เลยเรียกน้ําว่าน้อง oh. น้งําด้วยออทีนี้คนน้ําเข้ากรุงเทพท่านะ น้ำเข้ามาเลยหลักสี่ก็มีคนบอกว่าเรียกน้องไม่ได้แล้วนะ uh huh. อือพราะเขาชอบแย่คนที่อายุเกินส uh ี่สิบว่าอายุมากแล้วเลยหลักสี่ uh huh. ต้องเปลี่ยนสปรปนามน้องเป็นป้าอะไรเงี้ย <c oughs> ลักษณะการพูดอย่างเงี้ย <c oughs> ฟังดูแล้วมันดีออกค่ะมันก็ดีทําให้เรารู้สึกว่ามันขำๆมันทำํำให้น้ำน้อยลงดูน้ําหน้าเอ็นดู uh huh. เป็นญาตเราด้วยเป็นตั้งแต่น้องยันป้าอะไรเงี้ย น, นะคะออื uh huh. มันเป็นคำพูดเพิร์เจอร์ไหคะท่านเพิเจอร์เนี่ยต้องเอาดูความหมายก่อนนะความหมายก็คือว่าวาจาที่ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงนะเป็นวาจาที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยไม่มีจุดเริ่มนะไม่มีจุดจบนะไม่สมควรเกีย่ยวเวลาในะลักษณะนี้เพราะฉะนั้นคุณเอาอะไรอ้างอิงในการพูดของคุณใช่ไหมอา่าก็ก็ต้องพูดในลักษณะนี้แหละเพราะฉะนั้นอา่าต้องพูดงนี้เราต้องแยกประเด็นวาจาที่ขำขำ กับวาจาที่เพ r รเจอเนี่ยมันคนละประเด็นกันถามว่ามีไหมวาจาที่ไม่เพนะิรเจอระตกตก ต, ต้องตรงจริงแล้วก็ขำขามมีค่ะอย่างสมมติถ้าเราเล่าเรื่องของอาตมาเองที่เปิเ ป, เปิบ้าบอย่างนี้นะก็อาจจะขำขึ้นมาได้แล้วก็เป็นเรื่องจริงน ะ, อ, ะอย่างนี้เป็นต้น อ, อันนี้อันนี้ก็มีตัวอย่างอยู่เท่ากับว่า<น>ท่านกำลังจะบอกว่าท่านไม่สรุปท่านให้หลักการ ในการที่จะไปวิเคราะห์เองว่ามันใช่หรือเปล่าท่านฟังฟั ง, ฟงดีๆนะคะท่านบอกว่าวาจาเพชเจอร์คือวาจาที่พระพุทโ์ตรัสไว้ว่าเป็นวาจาที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงไม่ถูกต้องตามธรรมตามวินยัยไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบเหรอคะไม่มีหรอไม่มีเฉพาะจุดจบไม่ไม่ประกอบด้วยการคือจบไม่สมควรแก่เวลาพระเจ้าจัไม่สมควรแก่เวลาอ่า แม่ดิฉันไม่อยากวิเคราะห์ต่อท่านฟังไปวิเคราะห์เองที่บ้านก็นแล้วกันเพราะว่าถ้าวิเคราะห์เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าดิาฉันพาธรรมะไปไหนต่อไหนซะเองอคืออันนี้เราเราพูดได้คือเจตนาเนี่ยมันมันสอ่ออยู่แล้วอนะว่าถ้าเราจะพูดให้ขำๆเนี่ย เ, เราพูดได้โดยที่โดยที่ข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงได้อืมค่ะนะคะสามารถที่จะพูดได้บางคนก็อาจจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่า เออที่บ้านเนี่ยมีคนถามว่าน้ําท่วมหรือยังใช่ไหมคะอะเราก็บอกว่าอ่าที่ที่บ้านเป็นยังไงบ้านถามอย่างนี้นะค ะ, ะ, ะก็มีครับตอบตอบมาว่าอ๋อกั้นรั้วไว้สูงเมตรครึ่งอืผนังบ้านก็ซีลหมายถึงว่าผนึกกันด้วยซิลิโคนเรียบร้อยแล้วจุดเปิดประตูหน้ตาต่างไม่ได้ทํากําแพงต้องปีนเข้าบ้าน มีเรือสองลำมีเสื้อชูชีพเจ็ดตัวมีเครื่องปั่นไฟเท่านั้นเท่านี้อันนี้เป็นข้อที่จริงหมดเลยนะคะออืและเจ้าของบ้านอุทยพแล้วแต่นั้นยังไม่ท่วมฟังแล้วขำอย่างนี้เป็นเฟอร์เจอร์ไหมคะท่านเอาก็ไม่เฟอร์เจอร์ดีนะเป็นข้อมูลจริงแล้เป็นข้อมูลจริงแต่เนี้ยค่ะที่พูดเดี๋ยวท่านจะบอกว่าหมายถึงท่านผู้ฟังนะคะจะบอกว่าเอ๊ะทาไมเอามุมนี้มาแต่ที่ฉเห็นว่า มันจะได้ธรรมะในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้เรื่อ ง, เ, เ, องเรื่องเรื่องของคำพูดอะฮเรื่องเรื่องตรงนี้อย่างเรื่องมุกตลกอย่างเงี้ยหลายๆ ค, คนก็อาจจะต้องการมีมุกตลกนะให้ใครเครียดบ้างซึ่งตอนนี้อาจารมากาลังจะรวบรวมอยู่อ่ารวบรวมมุกตลกต่างๆที่มันไม่เพ้อเจ้อค่ะอันนี้ก็คือว่าแบบเป็นเป็นโครงการที่เราทำของเราเองเนาะ ก็ได้ผลยังไงก็จะค่อยมาบอกให้ท่านผู้ฟังทราบแล้กันแย้มสักเรื่องไม่ได้เลยเหรอคะอย่างเรื่องที่เราเรื่องเปิลๆของตัวเองไง <c oughs> อย่างเช่นว่าหลวงตาบาโบวท่านเคยเล่าให้ฟังตอนนั้นท่านไปเยี่ยมท่านพอลีที่โรงพยาบาลบางมดคือคนท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนป้า น, นอกไม่เคยเข้าไปในเมืองกรุงอย่างเงี้ยนะก็ <c oughs> ไม่ทราบว่าเขาจะมีปุ่มกดหอดอด่ะนะหอดที่เรียกพยาบาลเนี่ยสมัยนั้นท่านก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันก็ตั้งอยู่ข้างๆท่านแล้วท่านก็ไปกด นิดเนี่ยแล้วตรงสมัยนั้นมันยังไม่มีออดอยู่ที่โต๊ะที่ตัวผู้ประบอกใช่ไหมทางพยาบาลหมออะไรต่างๆก็แตกหือขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วทําให้ท่านแบบก็เงยงเป็นงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอะไรตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องขำๆของคุณบาอาจารย์คือเล่าเรื่องความเป็นของตัวเองให้คนอื่นฟังอันนี้ก็ก็พูดได้แต่บางทีบางทีเป็นธรรมะที่เราฟังแล้วเราก็ขํานนะคะอย่างเช่นอะไรล่ะ นะที่ทานยกตัวอย่างไม่เก่ง ก, ก็เคยอ่านเหมือนกันก็เพียงแต่ว่าเรื่องจริงจะทําได้ท่านก็เลยจะบอกถ้าเป็นเรื่องแบบนี้แล้วเป็นหลักประกันได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอถูกไมับยงแเพราะมันมีหลักฐานอ้างอิงหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นหลงพ่อสะอาดอย่างเงี้ยน ะ, ะ<ฆ>ท่านเดินสะดุดอย่างเงี้ยเดินสะดุดลราคว้าไว้ได้ทันอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าหลวงพ่อเป็นอะไรไหมครับ เ, เราถามว่าหลวงพ่อเป็นอะไรทําไมทําไมถึงเดินสะดุดอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นอะไรไหมอย่างเงี้ยนะท่านก็บอกว่า ผมเป็นพระหก็ต้องพูดตั้งจริงของข่าเหมือนกัน่ะมันก็เป็นมุกตลกได้คือคือหมายก็บ่าสรุปคือถ้าสมมุติว่าอยู่ในธรรมะของพระพุทธองค์จะมีส่วนเรื่องของการจะต้องมีสติกำกับว่าต้องทำอะไรให้ถูกต้องตามวินัยแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ใช้ชีวิตแห้งแล้ง ธรรมชาติของอารมณ์ขันมันก็มีอยู่แล้ว อ, อารมณ์ขันเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยยิ้มหลายครั้งพระพุทธเจ้าก็ยิ้มหลายๆครั้งอยู่ยรเราพู ด, <อ>ดถึงเรื่องพระพุทธเจ้ายิ้มนะคะท่านคะคือมันเคยมีการตั้งประเด็นถามกันขึ้นมาแล้วก็มีคนไปได้ยินครูบาอาจารย์พูดถึงว่าพระพุทธองค์เนี่ยถ้าฟังดูแล้วจากสิ่งที่ท่านได้ตรัสเอาไว้เนี่ยท่านน่าจะเป็น บุคคลที่หน้าเรียบๆเฉยๆแต่พอมาฟังท่านพิบูลนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะเนี่ย เ, เพราะบางคนบอกว่าเออหน้า พ, พูดเถิดเจ้าก็ขอประธานโทษนะคะถ้าท่านท่านหน้าเฉยๆอย่างเงี้ย ม, มันเหมือนกับว่าแปลกมากเลยทำไมเป็นอย่า ง, ง น, นั้นเนยเมื่อท่านก็เป็นมนุษย์ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะค่ะเออหมายถึงว่าแปลกเหรอก็เป็นลักษณะของมหาบุรุษนะนะคะเราเราก็ยังเห็นในหลวงอายุอย่างในหลวง ในหลวงเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นในหลวงยิ้มค่ะอ่าจะเห็นน้อยมากก็ก็ลักษณะนั่นแหละแล้วก็เป็นลักษณะของบุคคลน่ะซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะคือแต่มาว่ามองว่าไม่ได้ผิดอะไรแต่คนยิ้มมากมากไปที่ไหนก็ยิ้มตลอดนี่รู้สึกจะเป็นบ้าเหมือนกันมันมันก็มีความพอดีอใช่ต้องอยู่ตรงนี้ผู้ชายก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยยิ้มเลยแล้วก็มียิ้มบ้าง เป็นเป็นเป็นมีเหตุจึงได้ยิ้มเป็นต้นนะนะค่ะพูดถึงเรื่องนี้เลยอยากกราบเรียนฐานท่านเหมือนกันนะคะว่ามีพระวินัยกำกับไหมคะ<อ>เกี่ยวกับเรื่องอากัปปิยาของพระสงฆ์ในเรื่องยิ้มไม่ยิ้มหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีพระพุทธเจ้าเคยบอกว่ายิม้มหัวเราะจนกระทั่งเอิ๊อกอารขึ้นมาเนี่ยเป็นการร้องไห้อ่าถ้าถ้าอาตมาพระพิบูล์เนี่ยนะหัวเราะจนโอ้โห้ยนับ แบบว่าเสียงเอิ๊กอักขึ้นมาเนี่ยนั่นคือการร้องไห้ของเราเราควบคุมสติไม่อยู่<อ>แต่มไม่ได้ผิดวินัยใช่ไหมคะออผิดไหมต้องไปตรวจสอบอาจจะเป็นอาบัตเล็กน้อยอาบัตเล็กน้อยแต่ถ้าเราทําส่งเสียงดังในบ้านเนี่ยเราเข้าไปในหมู่บ้านก็ไปในบ้านไประหว่างบินตาบาดพูดเสียงดังออกมาอันนี้ผิดแ น, น่นอนเป็นผิดอก็เรียกว่าอาบัตเบาอาบัตทุกข์กนดะก็เป็นอาบัตเบาชนิดหนึ่งอราส่งเสียงดังไม่ได้ ไม่ได้างง<ะ>คเวลาไปเข้าไปในบ้านที่ไม่ใช่ที่วัดอะ่ะอเข้าไปในชุมชนอย่างเงี้ยก็ไม่ควรส่งเสียงดังไปตะโกนเยว่เยวไม่ได้แต่เร่วงเรื่องยิ้มเออเรื่องหัวเราะนี่คือหัวเราะจนเสียงดังเสียงดังเอิ๊กอ๊ะขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่ควรทําเป็นการร้องไห้บูชาไาว้ายอย่างงี้ค่ะคือเหมือนกับคนที่ไม่สามารถควบคุมสติได้แล้วถ้า ด, ดีใจก็ดีใจเกินเหตุ เป็นผู้ที่งุนงงคลั่งเพอ้อขึ้นมาบางทีก็หัวเราะบางทีก็ร้องไห้นะอันนี้ไม่ถูกละ ซ, ซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดต อ, อนถ้าเราสามารถคุมวาจาเราได้คุณโยมติเราจ ะ, ะคุมจิตได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะคือมันละเอียดละเอียดขึ้นมาพระพุทเจ้าจึงให้มีการหลีกเล่นนะหลีกเล่นนี่จะทําให้เราสามารถที่จะ ช่วยควบคุมวาจาได้ไปเลยคืออย่างน้อยวาจาเราบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ชีวะบริสุทธินะ์ในในมารกเนี่ยสามอย่างได้มาแล้วนะถ้าเราไปหลีกเล่นแค่นั้นเองหลีกเลปฏิบัติค่ะเท่ากับว่าพูดถึงเรื่องรายละเอียดในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ใช้คำนี้ได้ไหมคะในสิ่งที่พระสงฆ์ทอยู่เนี่ยมัน ดิฉันได้ยินคำว่าพรหมจรรย์ที่ใช้ก็จะมีใช้กับคารวะา ด, ด้วยพรหมจรรย์ของคารวาะในความหมายทางพระพุทธศาสนากับพรหมจรรย์ของพระสงฆ์ไม่เหมือนกันไหมคะ อ, อ๋อเหมือนกันเหมือนกันพรหมจรรย์เนี่ยคือหมายถึงการที่ไม่เสพไม่ถุนนะเป็นของชาวบ้านไม่ทำทีนี้การพรหมจรรย์ตรงนี้ก็คือเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นไปนะความสุขอะไรที่เป็นของชาวบ้านเราไม่ทำเพราะฉะนั้นแต่รายละเอียดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน อย่างครวาาพระพุทธพรหมจันท์อย่างเงี้ยก็คือระดับของศีลแใช่ไหมพระภิกษุ ป, ประพฤทิพรหมจันทร์ก็คือมีศีลอื่นๆเช่นนั่ ง, งต้องต้องไม่ไม่ไม่ยืนกินแต่ถ้าศีล8ปดนี่ก็ว่าได้ห้ามตรงนี้อย่างพระจะไปอุยเห็นนี่ก็อยากกินนั้นก็อยากกินจับใส่ปากเดินไปหัวเราะเ อ, อิ๊กอักไม่ได้ผิดอ๋อพระยืนยืนรับประทานยืนชันอะไรนี่ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ถูก แต่ว่าเรยนยังก็เลยบอกว่าถ้าท่านพูดแบบนี้เท่ากับว่าคําว่าพรหมจรรย์เนี่ยไม่ได้อยู่แค่การที่ไม่เสด็จมีทุนสิคะพรหมจรรย์กินความกว้างกว่านั้นหมายถึงการสํารวมในเรื่องอื่นๆด้วยตามที่กําหนดไว้อย่างนั้นเปล่าคะออคือเกณฑ์มันก็คืออย่างพระเนี่ยก็คือแค่4ี่อย่างใช่ไหมคือคประสิทธิ์สในในกรณีของพระแต่อื่นๆเนี่ยเป็นความผิดอยู่แต่ยังไม่ถึงกับทําให้พรหมจรรย์เนี่ยขาด Hmm. อ, อย่างของคราวาสก็จะมีแปดข้อนี้ถ้าคุณพลาดแปดข้อนี้ไปคุณก็คือพรมจันทร์คุณขาดนะ8ะข้อคือศีลแปดศีลแปดใช่ปรมาจันทร์ของคราวา ส, น, าาวาสนี่มีตั้งแต่ข่าศัพท์เรืยมาเลยอจน ก, กระทั่งไม่นอนที่นอนอันสูงที่นอนอันใหญ่ใช่รวม<า>ถึงมีนุ่นสมรีอรวมถึงการดูการเล่นเป็นค่าศึกต่อคุโสธรรมค่ะถ้าถ้าขาดหมดเลยแปดข้อคุณไม่ไรักษาไม่ได้สักข้อเดียวเลยนะคือขาดหมดเลย สำหรับพระก็จะอยู่แค่สี่ข้อปริทิกสี่ที่เหลือทำได้ไม่ได้ก็ค่อยๆแก้ไขไปคุณทำได้คุณก็บริสุทธิ์มากขึ้นคุณทำไม่ได้คุณก็บริสุทธิ์น้อยลง <tasting S 1> <gate. S 2> ค่ะวันนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะกลิกย่อยนะคะเรียกอย่างนี้ได้ไหม <squish. S 2> เป็นเกล็ดที่ <maths S 2> ควร ร, <portfolio. S 2> วรู้นะคะแล้วก็เราก็ไปประยุกใช้เอาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเรารู้ทั้งหมดเนี่ยรู้ธรรมะอย่างเดียว ได้ประโยชน์ไหมคะโอ้ได้สิรู้ธรรมแม้เพียงหนึ่งบทเราก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องวาจาวันเนี้ย ค, คุณเอาไปทําเลยนะคุณมีวาจาสุภาษิตตลอดแค่บทนี้บทเดียวทําให้มันได้เลยนะไม่เกินเจ็ดเดือนไม่เกินเจ็ดเดือนจะทําให้แจ้งซึ่งที่สุดของการปฏิบัติได้แค่รู้เรื่องพูดเนี่ยนะคะถูกต้อง แล้วท า, า, าช่วยย้ำอีกครั้งได้ไหมคะพูดแบบไหนที่จะเจ็เดือนหลุดพ้นเนี่ยคะ่ะอ้าวก็คือไม่มีไม่โกหกไม่สอดเสียดไม่เพอ้อเจอ้อไม่พูดคำหยาบการทำเช่นนี้น ะ, ะมักทั้งเจอีกอย่างอีกเจอย่างจะตามมาโดยอัตโนมัติไม่ น, น่าเชื่อนะคะที่ฉันเคยพูดว่าการรณรงค์ให้เรามีสัมมาวาจามันเกิดประโยชน์มากหลือเกินวันนี้ทํานบนก็ย้าให้เราทราบอีกครั้งหนึ่งว่าปฏิบัติแค่สัมมาวาจา ซึ่งเป็นหนึ่งในอริยมารมีองค์8ก็จะทําให้อีก7องค์นั้นตามมาพร้อมกันหมดเลยพร้อมกันด้วยเลยและอริยมารมีองค์8คืออะไรคือหนทางในการพ้นทุกข์ที่พระศ า, าสดาของเราตรัสรู้ไว้วันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านพูลเป็นอย่างยิ่งนะคะเชิญผ่านการท่านวันที่ครบรอบแรายการสั้นสนิทสนานะคะเราพบกับท่านทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผ่านไปแต่ว่าก่อนจะผ่านไปไม่ผ่านเลยนะคะ ท่านใดที่ยังน้ำท่วมอยู่นานแล้วคิดว่าไม่เอาแล้วย้ายที่อยู่ดีกว่าเบื่อแล้วแถวๆนี้อยากไปพักพิงไกลๆวัดป่าดอนหายโศกเปิดให้เป็นศูนย์พักพิงค่ะท่านคะติดต่อที่คุณสุภาพศูนย์4ปดเก้าเก้าสี่สี่หกสี่เจ็ดหนึ่งนะคะคุณสุภาพศูนย์4ปดเก้าเก้าสี่สี่หกสี่เจ็ดหนึ่งค่ะนะในวันนี้เราก็คงจะ ส่งท้ายกันด้วยการที่อยากจะให้ท่านช่วยกันถังคำถามมานะคะเราจะได้เพื่อแผ่ไปยังท่านทั้งหลายที่อาจจะสงสัยตรงกับที่ท่านได้ถามมาที่เพียวธรรมะ com slash หหรือว่า0 2 2 6 9 0 0งเบอร์ของสถานีที่ท่านขอหนังสือพุทธวจนะซึ่งท่านอาจารย์คึกฤทิ์วัฒนาปราพงลำพุกกาคลองเสร็์ได้มอบให้วันละ3ามเล่มก็ได้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนพุทธวจนสวัสดีค่ะ